จะปล่อยให้รอจนเป็นสาวแก่ไม่มีใครแลเลือกไปเป็นแฟนอยากเลิกรอก็ยังไม่กล้าเลิกรอเพราะความรู้ปรอเฉียบขาดมาดแม้ยังหวงบุ่น ง, งามงามเมื่อกล้ามเป็นแฟ่นเป็นแฟนคง เ, เ, เ, เทนาดู จะยอมเจ็บเพื่อเธอ เ, ธอเชื่อไหมมีเธออยู่เคียงข้างช้ำบางก็ได้เป็นไรฉันเต็มใจ อยากจะรอก็ยังไม่กล้าจะรอเพราะคนรู้เล่ามากแฟนแท้ๆกลัวจะปล่อยให้รอจนเป็นสาวแก่ไม่มีใครแลเลือกไปเป็นแฟนอยากเลิกรอก็ยังไม่กล้าเลิกรอเพราะความรู้เปล่าเฉียบขาดมากแม้ยังห่วงหุ่นงามงามเนื้อกลามเป็นแผ่นเป็นแฟนคงเทนา รู้หัวใจเธอหน่อยว่ารักฉันสักนิดเลยให้คอยจะคอยต้องทำที่โจโจ้าถามนิดเธอพอชมตรูอยากจะรู้รักจริงหรือไม่ถ้าบอกว่ารักฉันสักลายเล็บฉันจะยอมเจ็บเพื่อเธอ เ, ธอเชื่อไหมมีเธออยู่เคียงข้างช้าบางก็ได เต็มใจช้ำมีเธออยู่เคียงข้าง